พระผู้มีพระภาคตรัสว่าทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกเพราะผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดนั้นละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้วไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่าว่าด้วยปัญญาเครื่องกําจัดคําว่าผู้มีปัญญาเครื่องกําจัด ในคำว่าทิฐิที่กำหนดเพื่อเกิดในพบน้อยพบใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกอธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่าเครื่องกำจัดคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกเฟ้นความสอดส่องธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวนปัญญาดุดแผ่นดินปัญญาเครื่องทําลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาดุดประตักปัญญาปัญญิีสีปัญญาพละปัญญาดุดศสตราปัญญาดุดประสาสความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญาปัญญาดุดดวงประที่ปัญญาดุดดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุไรปัญญาจึงตรัสเรียกว่าเครื่องกําจัดเพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกําจัดชําระล้างและซักฟอกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกําจัดชําระ ล้างและซักฟอกราคะโทสะโมหะโกทะอุปนาหะมักขะปราสะอิสามัจฉริยะมายาสาเถยะถามพะสารัมพะมานะอติมานะมทะปมาท ะ, ะ, าทะกิเลธทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการ อกุศลาพิสังขารทุกประเภทเพราะเหตุนั้นปัญญาจึงตรัสเรียกว่าเครื่องกําจัดอีกในหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกําจัดชําระล้างและซักฟอกมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาสังกัปปะเป็นเครื่องกําจัดชําระล้างและซักฟอกมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาเป็นเครื่องกําจัดมิจฉาวาจาได้ สัมมากัมมันตะเป็นเครื่องกําจัดมิจฉากัมมันตะได้สัมมาอาชีวะเป็นเครื่องกําจัดมิจฉาอาชีวะได้สัมมาวายามะเป็นเครื่องกําจัดมิจฉาวายามะได้สัมมาสติเป็นเครื่องกําจัดมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิเป็นเครื่องกําจัดมิจฉาสมาธิได้สัมมายาณเป็นเครื่องกําจัดมิจฉาญานได้สัมมาวิมุตติ เป็นเครื่องกำจัดชำระล้างและซักฟอกมิจฉาวิมุติได้อีกในหนึ่งอเริยมักมีองค์แปดเป็นเครื่องกำจัดชำระล้างและซักฟอกดิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกร่นประไวทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอเริยมักมีองค์แปดเป็นเครื่องกำจัดชำระล้าง และซักฟอกอกุศลาพิสังขารทุกประเภทพระอระหันต์ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียพร้อมด้วยธรรมเป็นเครื่องชำระล้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอระหันต์ถึงชื่อว่าผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดพระอระหันต์นั้นเป็นผู้กําจัดความกําหนักได้แล้วกําจัดบาปได้แล้วกําจัดกิเลสได้แล้ว กำจัดความเร่าร้อนได้แล้วรวมความว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดคำว่าในที่ไหนไหนได้แก่ในที่ไหนคือที่ไหนไหนที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกคำว่าที่กําหนดได้แก่การกําหนดสองอย่าง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 ในกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปประพบในวิปากวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปประพบในกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในอรูปปพบในวิปากวัตเป็นเครื่องเกิดในอรูปปพบในพบต่อไปในคติต่อไปในการเถอกําเนิดต่อไปในปฏิสนธิต่อไปในการบังเกิดของอัตภาพต่อไปคําว่าทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในพบน้อยพบใหญ่ ของผู้มีปัญญาเครื่องกาจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกอธิบายว่าทิฐิที่กาหนดคือกาหนดทั่วปรุงแต่งเฉพาะตั้งมั่นไว้ดีแล้วเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกาจัดไม่มีเือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ในที่ไหนไหนในโลกได้แก่ทิฐิที่กาหนดนั้นผู้มีปัญญาเครื่องกาจัดละได้แล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าทิฐิที่กาหนดเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกว่าด้วยความหลอกลวงและความถือตัวคำว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดและความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้ว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 ความหลอกลวงคำว่าความถือตัวอธิบายว่าความถือตัวในเดียวคือความที่จิตใจสูงความถือตัวสองในคือ 1. การยกตน 2. การข่มผู้อื่นความถือตัวสามในคือ 1. ความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขา 2. ความถือตัวว่าเราเสมอเขา สความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาความถือตัวสี่ในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะลาภ2เกิดความถือตัวเพราะยศสามเกิดความถือตัวเพราะความสรรเสริญ4เกิดความถือตัวเพราะความสุขความถือตัวห้าในคือหนึ่งเกิดความถือตัวว่าเราได้รูปที่ถูกใจ เกิดความถือตัวว่าเราได้เสียงที่ถูกใจ3เกิดความถือตัวว่าเราได้กลิ่นที่ถูกใจ4เกิดความถือตัวว่าเราได้รสที่ถูกใจ5เกิดความถือตัวว่าเราได้ผดภ้าที่ถูกใจความถือตัวหกในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะมีตาสมบูรณ์ 2. เกิดความถือตัวเพราะมีหูสมบูรณ์ สเกิดความถือตัวเพราะมีจมูกสมบูรณ์ 4. เกิดความถือตัวเพราะมีลิ้นสมบูรณ์ 5. เกิดความถือตัวเพราะมีกายสมบูรณ์6เกิดความถือตัวเพราะมีใจสมบูรณ์ความถือตัวเจ็ดในคือหนึ่งความถือตัว2ความดูหมิน่น 3. ความดูหมิ่นด้วยอำนาจความถือตัว 4. ความถือตัวว่าด้อยัวเขาหาความถือตัวว่าเลิ่กวัวเขา 6. ความถือเราถือเขา 7. ความถือตัวผิดผิดความถือตัวแปดในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะได้ลาบสองเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะเส่อมลาบสเกิดความถือตัวเพราะมียศ สเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะเสื่อมยศห้าเกิดความถือตัวเพราะความสรรเริญหเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะถูกนินทาเจ็ดเกิดความถือตัวเพราะความสุข 8. ปเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะความทุกข์ความถือตัวก้าวในคือหนึ่งเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขา สเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาสเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาสเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขาหเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขาหเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเจ็เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขา แเป็นผู้ร่ายขวากเขาถือตัวว่าเสมอเขาสิบเป็นผู้ร่ายกว่ากเขาถือตัวว่าด่ายกว่าเขาความถือตัวสิบในคือคนบางคนในโลกนี้หนึ่งเกิดความถือตัวเพราะชาติสองเกิดความถือตัวเพราะโคตรสาเกิดความถือตัวเพราะเป็นบุตรของผู้มีตระกูลสเกิดความถือตัวเพราะเป็นผู้มีรูปงาม หเกิดความถือตัวเพราะมีทรัพย์หเกิดความถือตัวเพราะการศึกษาเจ็ดเกิดความถือตัวเพราะหน้าที่การงานแปเกิดความถือตัวเพราะมีหลักแห่งศิลปะวิทยาเกเกิดความถือตัวเพราะวิทยาฐานะสิเกิดความถือตัวเพราะความคงแก่เรียนเปิดความถือตัวเพราะปฏิพาน หรือเกิดความถือตัวเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วความถือตัวกลุยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจทงความเหอเหิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความถือตัวคำว่าผู้มีปัญญาเครื่องกาจัด และความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้วอธิบายว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดละคือละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหลอกลวงและความถือตัวรวมความว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดและความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้วว่าด้วยความถือมั่นสองอย่าง คำว่าความถือมั่นในคำว่าผู้มีปัญญาเครื remlin, ่องกำจัด er นั้นไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่าได้แก่ความถือมั่นสองอย่างคือหนึ่งความถือมั่นด้วยอำนาจตัญหาสองความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐินีนนนนนนน้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตัญหานี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นชื่อว่าผู้ไม่มีความถือมั่นเพราะเป็นผู้ละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วจะพึงไปด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจจะ วิจิกิจฉาอนุสัยอะไรเล่าว่าเป็นผู้กำหนัดขาดเคืองหลงยึดติดยึดถือฟุ้งซ่านลังเลหรือตกอยู่ในพลังกิเลสผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นละอภิสังขารได้แล้วเพราะเป็นผู้ละอภิสังขารได้แล้วจะพึงไปสู่คติด้วยเหตุอะไรเล่าว่าเป็นผู้เกิดในนรกเกิดในกําเนิดเดรฉานเกิดในเปตาวิสัย เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นผู้มีรูปเป็นผู้ไม่มีรูปเป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสัญญาหรือเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดน claro> ั้นจะพึงไปด้วยเหตุปัจใจและการใดเหตุปัจใจและการนั้นไม่มีรวมความว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่า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 2. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายจะพึงกล่าวคาติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่าเพราะความเห็นว่ามีตนความเห็นว่าไม่มีตนไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นสลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละ คำว่าผู้มีความถือมั่นในคำว่าเพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายได้แก่ความถือมั่นสองอย่างคือหน being ึ่งความถือมั่นด้วยอำนาจตันหาสองความถือม um ั่นด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ ผู้มีความถือมั่นนั้นยังละความถือมั่นด้วยอำนาจตัญหาไม่ได้ยังสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ได้เพราะเป็นผู้ละความถือมั่นด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ได้ผู้มีความถือมั่นจึงเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองหลงยึดติดยึดถือฟุ้งซ่านลังเลหรือตกอยู่ในพลังกิเลส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 หรือเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่รวมความว่าเพราะว่าผู้มีความถือมัน่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายคำว่าจะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่าอธิบายว่าคำว่าความถือมัน่นได้แก่ความถือมั่นสองอย่างคือหนึ่งความถือมั่นด้วยอำนาจตันหาสองความถือมั่นด้วยอานาจทิฏฐิ นี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นละความถือมั่นด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความถือมั่นด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วจะพึงกล่าวคําติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะ มานะทิฏฐิอุทัศจาวิจิกกิจชาอนุสัยอะไรเล่าว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเคืองหลงยึดติดยึดมั่นฟุ้งซ่านลังเลหรือตกอยู่ในพลังกิเลสผู้ไม่มีความถือมั่นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้วเพราะเป็นผู้ละอภิสังขารทั้งหลายได้แล้วจะพึงกล่าวทั้งกติด้วยเหตุอะไรเล่า ว, ว่าเป็นผู้เกิดในนรก เป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ผู้มีความถือมั่นนั้นจะเพึงกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงด้วยเหตุปัจจัยและการใดเหตุปัจจัยและการนั้นไม่มีรวมความว่าจะเพิงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่าว่าด้วยความเห็นว่ามีตนและไม่มีตนคำว่าความเห็นว่ามีตน ในคาว่าเพราะความเห็นว่ามีตนความเห็นว่าไม่มีตนไม่มีแกผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นได้แกความตามเห็นว่ามีตัวตนไม่มีคำว่าความเห็นว่าไม่มีตนได้แกความเห็นว่าขาศูนไม่มีคำว่าความเห็นว่ามีตนได้แกสิ่งที่เถอไม่มีคำว่าความเห็นว่าไม่มีตนอธิบายว่า สิ่งที่ควรปล่อยไม่มีผู้ใดมีสิ่งที่ถือไว้ผู้นั้นก็มีสิ่งที่ควรปล่อยผู้ใดมีสิ่งที่ควรปล่อยผู้นั้นก็มีสิ่งที่ถือไว้พระอระหันต์ก้าวพ้นการถือและการปล่อยล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมได้แล้วพระอระหันต์นั้นอยู่ในอริยวาสธรรมแล้วประพฤติจรณธรรมแล้วผ่านทางไกลได้แล้วถึงทิศนิพพานแล้ว ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าเพราะความเห็นว่ามีตนความเห็นว่าไม่มีตนไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นคำว่าผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นสลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละอธิบายว่าทิฏฐิหกสิบสองผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นชื่อว่าสลัดคือกำจัดขจัดขจัดออกและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้รวมความว่าผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นสลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละ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 ทุทัตกะสุตตนิเทศที่สจบ 4. สุททัตกะสุตตนิเทศอธิบายสุตทัตกะสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจด พระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายสุทธตกะสูตรดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นบุคคลเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่า ความเห็นนั้นเป็นญาณคำว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดในคำว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งอธิบายว่าเราเห็นคือแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิจ์พิจารณาดูนรชนผู้หมดจดคำว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งได้แก่ถึงความปลอดโรคถึงธรรมอันกเกษม ถึงทำเครื่องป้องกันถึงทำเป็นที่ปกป้องถึงทำเป็นที่พึ่งถึงทำเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถึงความปลอดภัยถึงทำที่ไม่จุติถึงทำที่ไม่ตายถึงทำเป็นที่ดับเย็นอันยอดเยี่ยมรวมความว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งคําว่าความหมดจดย่อมมีแก่นนรชนเพราะความเห็น อธิบายว่าความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปย่อมมีแก่นรชนเพราะการเห็นรูปด้วยจักขรวิญญาณนรชนย่อมหมดจดคือสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปเพราะการเห็นรูปด้วยจักขรวิญญาณรวมความว่าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น คําว่าเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมอธิบายว่าเมื่อรู้จริงคือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอย่างนี้ก็รู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจายแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าความเห็นนี้เยี่ยมคือยอดประเสริฐวิเศษนําหน้าสูงสุดประเสริฐสุด รวมความว่าเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมคำว่าจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณอธิบายว่าผู้ใดเห็นนรชนผู้หมดจดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดคำว่าย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณอธิบายว่า ย่อมเชื่อการเห็นรูปด้วยจักขวิญญาณว่าเป็นญาณเป็นมรรคเป็นทางเป็นทางนําออกจากทุกรวมความว่าจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น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 พระผู้มีพระภาพตรัสว่าถ้าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นหรือถ้านรชนนั้นละทุก์ได้พระญาณ น, นรชนผู้ยังมีอุปธินั้นย่อมหมดจดเพราะมักอื่นก็ได้เพราะว่าทิฏฐิย่อมบ่งบอกถึงนรชนนั้นผู้พูดอย่างนั้นว่าด้วยความหมดจดเป็นต้นคำว่าถ้าความหมดจดย่อมมีแก่นนรชนเพราะความเห็น อธิบายว่าถ้าความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปย่อมมีแก่นอรชนเพราะการเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณอรชนย่อมหมดจดคือสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปเพราะการเห็นรูปด้วยจกักขุวิญญาณรวมความว่าถ้าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นคาว่า หรือท่านรชนนั้นละทุกได้พระญาณอธิบายว่าถ่านนรชนนั้นละชาติทุกทุกเพราะความเกิดชราทุกทุกเพราะความแก่พยาธิทุกทุกเพราะความเจ็บป่วยมรณะทุกทุกเพราะความตายทุกคือโสกะความเจ้าโศกปริเทวะความเครื่มครวญทุกขะความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจ อุบาย ญ, ญาติความขับแค้นใจเพราะการเห็นรูปด้วยจกักรวิญญาณรวมความว่าหรือถ้านรชนนั้นละทุก์ได้เพราะญาณคําว่านรชนผู้ยังมีอุปธินั้นย่อมหมดจดเพราะมรรคอื่นก็ได้อธิบายว่านรชนย่อมหมดจดคือสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปเพราะมรรคอื่นคือมรรคที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิด ทางที่ไม่ใช่นำออกจากทุก์นอกจากสติปทานสมมัิปทานอิทิบาทอินทรีพระโพชฌงอริมัคมีองแปดคําว่าผู้ยังมีอุปธิได้แก่ผู้ยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีมานะยังมีตัณหายังมีทิฏฐิยังมีกิเลสยังมีอุปาทานรวมความว่า นรชนผู้ยังมีอุปธินั้นย่อมหมดจดเพราะมักอื่นก็ได้คำว่าเพราะว่าทิฏฐิย่อมบ่งบอกถึงนรชนนั้นผู้พูดอย่างนั้นอธิบายว่าทิฏฐินั้นแหละบ่งบอกถึงบุคคลนั้นว่าบุคคลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตพื่อประการอย่างนี้คำว่าผู้พูดอย่างนั้นได้แก่ผู้พูดคือกล่าวบอกแสดง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 ผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัตหรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมักอื่นพรามนั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปละตนได้เรียกว่าผู้ไม่ทำเพิ่มเติมในโลกนี้คำว่าไม่ในคำว่าพรามไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินสีลวัต หรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมักออ่นเป็นคำปฏิเสธคำว่าพรามอธิบายว่าที่ชื่อว่าพรามเพราะลอยทำเจตประการได้แล้วคือ 1. ลอยสั ก, กยธิฐิได้แล้ว 2. ลอยวิจิกิจฉาได้แล้ว 3. ลอยสีะระพตะประมาม า, าได้แล้ว 4. ลอยราคะได้แล้ว 5. ลอยโทสะได้แล้ว 6. ลอยโมหะได้แล้วเจ็ 7. ลอยมานะได้แล้วคือพรามลอยบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าซะพิยะบุคคลผู้ลอยบาปทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ปราศจากมณทินเป็นผู้ประเสรศิฐ มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิดำรงตนมั่นคงข้ามพ้นสังสารวัฏเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามว่าด้วยความเชื่อถือว่าเป็นมงคลไม่เป็นมงคลคำว่าพรามไม่กล่าวความหมดจดโดยมักอื่นอธิบายว่า พระไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปโดยมักอื่นคือมักที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิดทางที่ไม่ใช่นําออกจากทุกนอกจากสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีพระละพ่อชงอริยมักมีองค์แปดรวมความว่า พรามไม่กล่าวความหมดจดโดยมักเอ่นคำว่าในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่ามีสมณะพรามพวกหนึ่งถือความหมดจดด้วยการเห็นสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการเห็นรูปบางอย่างว่าเป็นมงคลถือการเห็นรูปบางอย่างว่าไม่เป็นมงคล สมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการเห็นรูปชนิดไหนว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เห็นรูปที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งคือเห็นนกแอนลมผลมาตูมอ่อนเกิดในบุษยะเรกหญิงมีคันเด็กเล็กที่ขี่คอคนไปหม้อมีน้ำเต็มปลาตะเพียนแดงมะอาชาไนรถเทียมมะอาชาไนโคผู้โคแดง ก็พากันถือการเห็นรูปเห็นปานนี้ว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการเห็นรูปชนิดไหนว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นลอมฟางหม้อเปรียงหม้อเปล่านักฟ้อนสมณะเปลือยลายานเทียมด้วยลายานเทียมด้วยสัตพาณะตัวเดียวคนตาบอดคนง่อยคนแคะคนเปรี้ยคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็พากันถือการเห็นรูปเห็นปานนี้ว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านี้นั้นชื่อว่าถือความหมดจดด้วยการเห็นสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยรูปที่เห็นแล้วมีสมณพราหมูอกหนึ่งถือความหมดจดด้วยเสียงที่ได้ยิน สมณพราหมณ์เหล่านั้น ถ, Dance, ถือการได้ยินเสียงบางอย่างว่าเป็นมงคลถือการได้ยินเสียงบางอย่างว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการได้ยินเสียงอย่างไหนว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งว่าเจริญแล้วกําลังเจริญเต็มขาวไม่เศร้าโศกใจดีเลิกดีมงคลดีมีสิริ หรือว่าเจริญสีก็พากันเถื่อการได้ยินเสียงเห็นปานนี้ว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นเถื่อการได้ยินเสียงอย่างไหนว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นลูกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงว่าคนตาบอดคนง่อยคนแคระคนเปรีย้ยคนแก่คนเจ็บคนตายถูกตัดถูกทุบถูกไฟไหม้ของหายหรือว่าไม่มี ก็พากันถือเอาการได้ยินเสียงเห็นปานนั้นว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านี้นั้นชื่อว่าถือความหมดจดด้วยการได้ยินเสียงสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยการได้ยินเสียงว่าด้วยความหมดจดด้วยศีลและวัดมีสมณพราหมณ์ผู้หนึ่ง ถือความหมดจดด้วยศีลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยเหตุเพียงศีลคือด้วยเหตุเพียงความสำรวมด้วยเหตุเพียงความสังวรด้วยเหตุเพียงความไม่ละเมิดปริภาชกผู้เป็นบุตรแห่งนางปริภาชิกาชื่อสมณมุนทิกากล่าวอย่างนี้ว่าช่างไม้เอ๋ย เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบได้ทาสี่ประการว่าเป็นผู้มีกุศลเพียรพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมบรรลุถึงอารหัตผลอันอุดมที่ควรบรรลุเป็นสมณนะไม่มีใครสู้ได้ทาสี่ประการอะไรบ้างคือช่างไม้เ อ, อ๋ยบุคคลเช่นนั้นในโลกนี้หนึ่งย่อมไม่ทํากรรมชั่วช้าทางกายสองไม่กล่าววาจาชั่วช้า 3. ไม่ดำ m ฤิความดำ m ริชั่วช้าสไม่ประกอบอาชีพชั่วช้าช่างไม้เอย๋ยเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการเหล่านี้แล ว, ว่าเป็นผู้มีคุศสนเพียพร้อมมีคุศสนยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงอารหัตผลอันอุดมที่ควรบรรลุเป็นสมณนะไม่มีใครสู้ได้มีสมณะพรามพวกหนึ่งถือความหมดจดด้วยศีลอย่างนี้แหละ สมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยเหตุเพียงศีลด้วยเหตุเพียงความสำรวมด้วยเหตุเพียงความสังวรด้วยเหตุเพียงความไม่ล่วงละเมิดมีสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งถือความหมดจดื้วยวัดสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติวัดเยี่ยงช้างบ้างประพฤติวัดเยี่ยงม้าบ้าง ประพฤติว <necessary. S 2> <Spain. S 1> ัดเยี่ยงโคบ้างประพฤติวัดเยี่ยงสุนัขบ้างประพฤติวัดเยี่ยงกาบ้างประพฤติวัดเยี่ยงเท้าวาสุเทพบ้างประพฤติวัดเยี่ยงพลเทพบ้างประพฤติวัดเยี่ยงปุณญพัทระบ้างประพฤติวัดเยี่ยงมณีพัทระบ้างประพฤติวัดคือการบูชาไฟบ้างประพฤติวัดเยี่ยงนาคบ้างประพฤติวัดเยี่ยงครุฑบ้างประพฤติวัดเยี่ยงยักษ์บ้าง ประพฤติวัดเยี่ยงอสูรบ้างประพฤติวัดเยี่ยงคนทันบ้างประพฤติวัดเยี่ยงท้ามหาราชบ้างประพฤติวัดเยี่ยงพระจันทร์บ้างประพฤติวัดเยี่ยงพระอาทิตย์บ้างประพฤติวัดเยี่ยงพระอินทบ้างประพฤติวัดเยี่ยงพระพรหมบ้างประพฤติวัดเยี่ยงเทพบ้างประพฤติวัดคือการไหว้ทิศบ้างสมณพราหมณ์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ถือความหมดจดด้วยวัด สมณพราหม์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยวัดมีสมณพราหม์พวกหนึ่งถือความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รับรู้สมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จับต้องแผ่นดินจับต้องพืชสีเขียวจับต้องมูลโคจับต้องเต่าเหยาะพานจับต้องเกวียนบรรทุกงาเขี้ยวกินงาขาว ทาน้ำมันสีขาวเขียวไม้สีฟันขาวอาบน้ำฉลมด้วยดินสอพองนุ่งผ้าขาวโพกผ้าขาวสมณพราหมณ์เหล่านี้นั้นชื่อว่าถือความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รับรู้สมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยอารมณ์ที่รับรู้แล้วรวมความว่า พระไม่กล่าวความหมดจดโดยมักเอ่นคำว่าในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัตหรืออารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่าพระไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดโดยถือความหมดจดด้วยรูปที่เห็นบ้างโดยถือความหมดจดด้วยเสียงที่ได้ยินบ้างโดยถือความหมดจดด้วยศีลบ้างโดยถือความหมดจดด้วยวัดบ้าง ด้วยถือความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รับรู้บ้างรวมความว่าพระไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินสีลวัตรหรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมากอื่นว่าด้วยการละบุญและบาปคำว่าผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปอธิบายว่ากุศลาพิสังขารเป็นเหตุที่เกิดในโลกธาตุสามอย่างใดอย่างหนึ่งตราดเรียกว่าบุญ อกุศลาทุกชนิดตรัสเรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่บุญปุญญาพิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนนชาพิสังขารเป็นสิ่งที่พราหมณ์นั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ในการใดในการนั้นพราหมณ์นั้นย่อมไม่ติดไม่ติดพันุ์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 ผู้ไม่ทำเพิ่มเติมในโลกนี้ได้แก่และความเห็นว่าเป็นตนคำว่าละตนได้ได้แก่และความยึดมั่นถือมั่นอีกในหนึ่งคำว่าละตนได้อธิบายว่าความถือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อด้วยอำนาจตันหาด้วยอำนาจทิฏฐิทั้งปวงเป็นสิ่งที่พรามนั้นสละแล้วคลายแล้ว ปล่อยแล้วละแล้วสลัดทิ้งแล้วคําว่าเรียกว่าผู้ไม่ทําเพิ่มเติมในโลกนี้อธิบายว่าเรียกว่าผู้ไม่ทําเพิ่มเติมคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารหรืออนเนชาพิสังขารรวมความว่าละตนได้เรียกว่า ผู้ไม่ทาเพิ่มเติมในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพรามไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินสีลวัตหรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมักออ่นพรามนั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปและตนได้เรียกว่าผู้ไม่ทาเพิ่มเติมในโลกนี้